ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นขอนอบน้อมด้วยเสียงก้าขอนอบน้อมพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตัดไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแด่พระสงค์พระอริยสงฆ์กราบขอโกาศพระอาจารย์ณรงค์วิทย์ ขออากาศพระเทรานุเถระพระมัชฌิมะพระนาภกกะด้วยความเคารพยิ่งขอความเจริญในศีลในธรรมจงมีแก่แม่ชีอุบาสกอุบาสิกาโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านณโอกาสนี้ขอท่านทั้งหลายวางมือเนาะวางมือลงนั่งฟังสบายๆถือว่าธรรมะทุกๆเช้าเนาะช่วงนี้มาพูดบ่อยไม่ใช่อะไรนะครับ ผมไม่ได้ให้พูดเก่งเนาะขา อ, ออกตัวให้ก่อนเนาะแต่พระอาจารย์พูดกขบอกว่าเออดาวลุง่งผมไม่ใช่ดาวลุง่งดาวอะไรนะครับเพราะว่าช่วงนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์เกียเติพระอาจารย์สุงสินีอย่างนี้พระอาจารย์วัฒนชัยอย่างนี้ท่านก็ไม่ได้อยู่ ท, ท่านไปทําธุระเนา ะ, ะก็เลยเป็นเบียนมาบ่อยครับช่วงนี้รู้สึกว่าเบียนมาไวแล้วนะผมก็ไม่มีอะไรจะพูดเหมือนกันนะอะ แต่พระอาจารย์นะพระอาจารย์สุรินทรอกว่าอออาเออ เ, ออเราเทศเพื่อฝึกสอนตัวเองไม่ใช่เ อ, อจะดีไม่ดีก็ไม่ น, นั่นหรอกแต่สอนตัวเองแต่บอกว่าคําว่าจะดีไม่ดีนี่ก็คือมันเป็นธรรมนะนะครับคําว่าดีไม่ดีพระเทศดีหรือไม่ดีนี่มันเป็นธรรมะแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าดีกับไม่ดีนีออ่มันเป็นธรรมะแล้วเพราะมันเป็นการต่างกันมุมมองเหมือนพวกเราเหมือนกัน อ, อม า, จาเจริญสติอย่างนี้เนะ่ะ มันก็ต่างกันไอ้หลงกับรู้อย่างงี้มันต่างกันเลยนะครับห ล, ลงกับรู้นี่ต่างกันมากสองสาวันนี้ก็ <c oughs> บางทีก็เห็นทำวัดบ้างไม่เห็นทำวัดบ้างอย่างงี้ก็ก็ก็ไปเนา ะ, ะก็ได้ไปบางทีก็วันนั้นก็ได้ไปกับอหลวงพ่อกลมไปงานศพไปงานศพ ไ, ไม่ใช่ปกติไปไปเยี่ยมญาติเฉยๆนะแต่บังเอิญมันมีงานศพพอดีก็เลยไปงานศพรอ ง, งานศพวันนั้นก็มาม า, มาไม่ทันทําวัด แต่ก็อยากจะมาอยากจะมาทำทุกวันเพราะมันเป็นการตอบแทนคือตอบแทนข้าวน้ำนะครับข้าวน้ำโภชนะอาหารของญาติโยมผู้มีเกียรติศรัทธาได้เลี้ยงเรามาถ้าเราไม่มีอาหารพวกนี้นะครับเราก็อาจจะหมดแรงไปเรื่อยๆสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมอันนี้ก็คือบุญคุณนะครับอย่าลืมตรงนี้ให้ดีๆ ผ้าใหม่เราก็เหมือนกันนะครับหรือว่าญาติโยมอุปสุบาสิการเหมือนกันแม่ชีเหมือนกันพอเราต้องอาศัยนะครับอาศัยอาศัยข้าวน้ําโภชอฉนอาหารของเขาเราต้องปฏิบัติธรรมเพื่อตอบแทนนะครับเพราะว่าอย่างเช่นการมาทําวัดเหมือนกันการมาทําวัดนี้เป็นการเข้าเฝ้าเนา ะ, ะหลวงพ่อพพุทธทาสบอกว่าเป็นการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเช้าเย็นนะครับถ้ามาได้ก็ดีเพราะว่า ถือว่าไอ้ตรงมาทําวัดนี้ก็ถือถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยมากนะครับเพราะว่ามันเป็นการตอบแทนส่วนหนึ่งหรือว่าบางทีพ่อแม่ plane, ครูบาอาจารย์มีธุระอย่างนี้นะครับท่านก็ไปทําธุระนั่นก็เป็นการทํากุศลเหมือนกันนะครับทํากุศลตอบแทนข้าวน้ําเหมือนกันบางทีมาไม่ได้แต่ท่านก็ทําติดธุระอีกอย่างนึงอย่างนี้นะครับอย่างเช่นหลวงพี่โก้อย่างนี้นะเพราะท่านก็ทําธุระท่านเหมือนกันนะครับก็ทําธุระภายในวัดนี่แหละครับ ก็เป็นกุศลคือว่าตอบแทนข้าวน้ําได้เหมือนกันแต่ถ้าพวกเราว่างๆนะครับถ้าไม่ได้ว่างๆล้วไม่อยากมานี่ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปตอบแทนเขานะครับข้าวน้ํานะครับอ่าแม่ชีแม่ขาวเหมือนกันพระเราก็เหมือนกันต้องต้องหาอะไรตอบแทนเขานะครับไม่ใช่ว่าเหมือนกับที่ทํามาไปตรงเมื่อกี้เนี่ยนะบอกว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปนะครับวันนี้เราทําอะไรอยู่นะครับต้องข้อนี้ต้องสําคัญมากเลยนะครับไม่ใช่อยู่ไปเฉยๆนะครับ บางทียิ่งประมาดด้วยนะครับบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรเราสามเดือนทําสุดท้ายก็ได้น่ะมันประมาดไปอย่างนั้นนะครับบางทีไม่แน่นะครับพวกเราอยู่ดีๆอาจจะตายก่อนก็ได้มันไม่แน่ตายให้เห็นต้องมองดีๆนะครับเขาก็ตายให้เห็นอยู่แล้วแต่เราเนี่ยมันเชยกันเนียบางทีก็ไม่อยากมาอย่างนี้นะ่าคนบอกคนสอนครูบาอาจารย์บอกสอนก็มีเยอะนะครับสําหรับผมที่เข้ามานี่ถือว่าเป็นโชคดีมาก ที่เข้ามาวัดป่าสุกโตนีพระอาจารย์จีระนี่มาส่งมาส่งไว้ที่วัดป่าสุกโตรีถือว่าโชคดีมากเพราะว่าเข้ามาแล้วนี่มีเพื่อนมีกัญญาณมิตรที่ดีดีหมดนะครับพราแม่ครูอาจารย์คอยบอกคอยสอนคอยแนะนําอาจารย์สุรินอย่างนี้เนะถึงท่านจะไม่บอกแบบไม่ได้บอกแบบทางกรรมฐานแต่ท่านก็บอกว่าเอ้ยลุงพี่หนุ่มอย่างนี้นะอย่างนี้นะแนะนำกันการเทศการสอนอบางทีท่านผมมาใหม่ใหมนี่ ท่านแนะนำบอกว่าโอ้หลวงพี่หนุ่มตรงนี้ท่านให้ไม่ให้ให้เสียงไม่ถูกนะให้พรไม่ถูกนะอย่างนี้นะครับผมบอกว่าคนที่มาบอกผมก็คือคนที่รักกันนะครับคนที่รักกันคนที่ปรารถนาดีถึงจะมาบอกนะครับแต่คนไม่ปรารถนาดีเขาไม่มาบอกนะครับเขาไม่ค่อยสนใจแต่นี่ก็ถือถือว่าสําหรับจิตใจของผมก็คือว่าท่านที่ปรารถนาดีมาบอกนะครับมาแนะนำพัฒน์สอนอย่างนี้นะครับท่า น, า น, านบอกว่าเอออย่างนี้ไม่ถูกนะหลวงพี่หนุ่มเออให้เสียงไม่ถูกพอผมพอผมนี่ เป็นคนอีสานนะครับเป็นคนอีสานพูดแบบมาใหม่ๆก็พูดไม่ค่อยชัดเนาะก็เหมือนกับคนจีนนะครับพูดไม่ค่อยชัดผมเหมือนกันผมเป็นไทยอยูแ่แต่ว่าผมเป็นคนอีสานพูดไม่ไม่ค่อยชัดนะครับพูดไม่ค่อยชัดบางทีเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็พูดพูดก็พยายามพูดจะให้เข้าใจนะครับอา่านี่ก็มีการระยานมิตร ด, ดีเหมือนสมัยก่อนเหมือนกันเหมือนสมัยก่อนที่ครั้งพุทธการพระนรนก็ได้ถามนะ พระพุทธเจ้าบอกว่าการละยานมิตรนี่เป็นทั้งหมดของภรหมจรรย์แต่ทีแรกนี่พระนนท์บอกว่าการละยานมิตรเป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์ utes. แต่พระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าว่าเช่นนั้นอย่าว่าเช่นนั้นเลยอ า, านน์การละยานมิตรนี่เป็นทั้งหมดของภรหมจรรย์ถ้าการละยานมิตรดีนี่ดึงเราไปทางดีแน่นอนแต่ถ้าการละยานมิตรชั่วนี่ไปทางชั่วแน่นอนมีที่ท้ายๆบอกว่า เราจะออกจากความเก็บไข้ได้ยังไงเราจะออกจากความแก่ได้ยังไงเราจะออกจากความตายได้ยังไงก็ต้องอาศัยเราอาศัยแต่ทาโคสเนี่ยเป็นกันรายนามิตรนะก็เพื่อนที่ดีอย่างนี้นะครับท่านถือว่าพระพุทธเจ้านี่ถือว่าลดตัวลงมาเลยนะครับลดตัวลงมาว่าเป็นเพื่อนกันไปด้วยกันจับมือไปด้วยกันอย่างนี้นะครับมาๆๆๆผู้บอกทางก็มีอยู่นะครับพระพุทธเจ้าเนี่บอกก่อนบอกทางบอกทางดําเดินไปนะครับ แล้วก็ต่อมาก็ครูบาอาจารย์ต่างๆนี้ก็บอกทางนะครับบอกทางว่ารับรองไม่ลงทางแน่นอนครับถ้าทําอย่างนี้นะครับการเจริญสติไปเรื่อยๆเนีอ่าเหมือนกับครั้งหนึ่งเหมือนกันผมมาไม่ทันนะครับผมมาไม่ทันลุงพ่อคําเขียนแต่ผมมาอ่าช่วงหลังๆนะครับไม่ได้มาทันแต่แต่เคยได้ยินท่านเทศครั้งหนึ่งบอกว่าเดินไปเนาะผ่านกุฏิอาจารย์กําพนทองบุญนุ่มบอกว่าท่านคําพลท่านทําอะไรอยู่บอก ปฏิบัติธรรมอยู่ครับอ า, อาจารย์กระพลบอกอย่างนี้อแล้วอยู่อยู่กับใครล่ะ อ, อยู่คนเดียวครับบอกอย่างนี้พระไอหลวงปูมเขียนก็เลยตอบสวนลงไปเลยครับบอกว่า อ, อการปฏิบัติธรรมทุกครั้งนะไม่ได้อยู่คนเดียวมีพระพุทธเจ้าเป็นเพื่อนด้วย น, นั่นมันมีกําลังใจนะครับมีกําลังใจบางทีแนะนำครูบาอาจารย์แนะนํานิดหน่อยมีกําลังใจเพื่อปฏิบัติกันนะครับบางทีกิเลสของพวกเราเนี่ยโอ้มันแน่นมากครับมันหลอกล่อทุกชนิดนะครับ อย่างเช่นพวกที่บางทีนี่บางทีเราแบบเออฝนตกหนักเไม่อยากมา่ะละมันจะมีเป็นสองเป็นสองตัวนะครับไอ้สองตัวมันมีชั่วกับดีนะครับไอ้ชั่วนี่จะพูดก่อนเลยนะอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยครับคนคนเดียวแต่มันมีสองตัวนะครับในจิตใจของเราเนี่ยมันมีสองตัวมันจะมีชั่วกับดีไอ้ชั่วนี่พูดก่อนเลยพอเราจะตื่นมามันปิดโทรศัพท์เอ้ยมันปิดไอนาฬิกาปลุกก่อนแล้วปุ๊บเออสักหน่อยก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวเด๋ยวเด๋วไม่เป็นไร ไอตัวดีนะครับไอตัวดีมันบอกว่าเฮ้ย <c oughs> ยังไงก็ต้องตื่นอยู่ดีอ่า uh, ยังไงก็ต้องตื่นอยู่ดีเอ่ uh, ผมก็ท่องตีคองเลยเฮ้ยยังไงต้องตื่นอยู่ดีอย่างเมันจะมีคนสองคนคอยคอยตอบกันนะครับแต่ถ้าเราสร้างสร้างสติเนี่ยสร้างสติให้ ม, มากๆเลยตัวดีจะเพิ่มขึ้นนะครับตัวดีเพิ่มขึ้นมันจะโอ้สบายแล้วครับตอนนี้พอได้เวลาปุ๊บตีสามปุ๊บมันจะดีดดั้งขึ้นมาเลยครับมันจะตื่นขึ้นมาเลยปั๊ปปัปไปง่ายๆนะครับ สำหรับผู้ที an, like ่เอใหม่ๆนะครับก็ต้องลองฝึกให้ตัวดีมันเยอะๆนะครับแต่ผมไม่ไม่ได้ว่าเก๋าหรือว่าอะไรนะครับนี่ก็คือมาแนะนํากันนะครับแนะนํากันก็คือพยายามสร้างตัวดีให้มันมากๆนะครับคือการเจริญสติอย่างนี้นะครับสร้างสร้างไปเรื่อยๆสร้างไปเรื่อยๆมันจะตัวดีนี่มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับผมมาใหม่ๆเหมือนกันอผมมาใหม่ๆเนี่ยผมไม่ได้มาสร้างจังหวะอย่างนี้นะครับผมบอกตรงว่าผมอายครับ ข่าบอกเลยครับผมไอเพราะผมไม่ได้มาแนวทางการเจริญสติของหลว ง, งพ่อคำเพียนหรือหลวงพ่อเทียนนะครับผมไม่เคยอ่านสักทีเลยครับเพราะว่าที่บ้านสอนมากก็เราเป็นเด็กน้อยนะครับเข้าโรงเรียนเนี่ยเขาก็ให้นั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าออกอย่างนี้นะครับพอมาบวชเพื่อผมก็ทําอย่างนี้นะครับทํำมาเรื่อยๆทำมาเรื่อยๆทำมาเรื่อยๆอย่างนี้นะครับผมผมผมพอผมพระจันทร์เอามาส่งนะครับเอามาส่งที่วัดป่าสุกโตนี่ ผมมาเห็นท่านทํำนะผมเฮ้ยมันใช่หรือใช่เลยอยู่นั่นแหละครับถึงขนาดนะครับถึงขนาดมันมันลบหลู่คูบาอาจารย์นะครับอต้องขอโทษด้วยมันถึงขนาดลบลู่คูบาอาจารย์นะจิตที่มันไม่ได้ฝึกเนี่ยมันไปทั่วเลยนะครับน่ามันบอกว่าเอ้ยมาทําแบบนี้มันเฮ้ยมันไล่ยุงหรือเปล่าครับสงสัยวัดป่าสุกตัวยุงเยอะหรือเปล่าไล่ยุงหรือเปล่าครับผมถึงขนาดนี้นะจิตที่มันไม่ได้ฝึกมันมั่วไปหมดเลยครับมันมั่วจริงๆ แต่แต่แต่ผมไป ए, รับกรรมฐานนะครับจากอาจารย์พัฒนชัยนะท่านบอกว่าคิดไปก็ให้กลับมารู้คิดไปก็ให้กลับมารู้นะครับแต่มีข้อ น, นึงนะครับสําหรับผู้ที่มาพูดโธก่อนนะครับหรือว่าดูลมหายใจก่อนเนี่ยท่านบอกว่าให้พักก่อนอาจารย์เอ่ออาจารย์พันชัยเนี่ยท่านบอกว่าให้พักก่อนพักก่อนมันเป็นร่องนะครับมันเป็นร่องอยู่แล้วเอามันเป็นร่องพูดโธอยู่แล้ว <S <S คือพักก่อนอย่าเพิ่งไปทํำพักก่อนทําแบบสบายๆไปเล่นๆไปก่อน แต่ตอนนี้ผมก็เลยมาเริ่มเริ่ม เ, มเอาจริงนะครับเริ่มเอาจริงกับมันว่าผมจะพิสูจน์ลองดูว่ามันมันจะเป็นไปได้ไหมสําหรับแนวทางนี้มันจะเป็นไปได้ไหมก็เลยลองทําดูครับลองทําดูอ้าวพอทําดูครับพอสร้างจังหวะครับไอ้พูดโทรก็ขึ้นมาครับตอนนี้น่ะไอ้พูทโทขึ้นมาเหมือนกันน่ะไอ้ไอ้ไอ้ตัวเดิาเดิมนะครับมันขึ้นมาเหมือนกันอ้าวจะเอาอะไรกันแน่นี่ตอนนี้ผมทั้งสร้างจังหวะไปทั้งดูลมหายใจไปอ้าวมันยังไงนี่ แต่แต่บอกได้เลยว่ามันมันมันมันทำมันจะรู้สึกตัวแค่ตัวเดียวครับทํากี่อย่างก็ช่างจะรู้สึกตัวแค่ตัวเดียวผมสร้างจังหวานะครับแต่ผมไม่รู้นะครับสร้างไปแต่สร้างจังหวามันถูกนะครับแต่ว่ามันดูลมให้ยใจครับดูลมหายใจเด่นกว่าครับอ่ามันจะมีแค่ตัวเดียวที่เด่นเด่นเท่านั้นนะครับอ่าตอนนี้ก็สู้กันไปครับตอนนี้น่ะทั้งเดินจงกรมไปทั้งตอนนั้นดี่ผมใหม่ใหม่เดือนกุมภาเนาะเดือนกุมภาเนี่ มันจะมีไอ้การลเล่นกันในลูกเสืออะไรไม่รู้ร้องเพลงมันก็ร้องเพลงไปตามเขานะครับปลาผมไม่ได้ร้องนะครับแต่อิหัวสมองนี่ร้องไปตามเขานะังโอ้ยมันอะไรกันะก น, นะขนาผมว่าถึงขนาดผมมานี่มาอยู่ที่วัดป่าสุกโตเลยผมว่าเนี่ยจะรอดแล้วนะผมว่าเพราะผมมาแบบสมาธาก่อนนะครับสมาธาิผมจะติดแบบความสงบมากกว่าอก็ไปถามอาจารย์โนธบอกว่าเออคุณอฟังเพลงกับเขาเนี่ยเขาเล่นลเล่นการสนุกเนี่ยพวกไอ้คุณงุนงิดไหมออ งุนงิดครับงุนงิดมากด้วยเออสมัยก่อนผมก็เป็นอย่างนี้แต่แต่อาจารย์โนดว่าขอให้คุณลองทําดูก่อนลองทํานะไม่ได้บอกว่าเฮ้ยให้คุณทิ้งไปเลยไม่ไม่ใช่นะอาจารย์โนดบอกว่าให้คุณลองทําดูก่อนอ่าแต่ถ้าคุณทําไปสักระยะหนึ่งนี่ถ้าคุณไม่ได้ผลคุณก็กลับไปดูลมก็ได้ไม่เป็นไรเพราะดูลมเนี่ยคุณทํามานานแล้วอ่ทาท่านก็ให้โอกาสถึงขนาดนี้นะบอกว่าลองทําดูก่อนนี่นะครับเหมือนพวกเราเหมือนกันนะก็ลองทําดูก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไง แต่ตอนทําไปนะครับโอ้มันมันไม่ใช่จะไปง่ายๆมันกันนะครับมันลูกเล่นมันเยอะมากทําไปครงง่วงนอนไปนะครับง่วงอยู่นั่นแหะครับง่วงนี่มาโอ้เป็นสิบๆเท่านะครับง่วงอยู่นั่นแหละง่วงก็หาวิธีครับง่วงก็หาวิธีไปก็วัดตรงกวาดตาอะไรอย่างนี้นะครับก็แยกแยกกันไปแล้วก็ทําไปทําไปมันทั้งชิดทั้งอะไรต่ออะไรนะครับมันมั่วไปหมดว่ามันจะเป็นไปได้ไหมไม่หลับตาจะมันจะเห็นอะไรไหมอยู่อย่างงั้นนะครับ พอผมผมทํามาพุทโธผมก็เห็นเหมือนกันนะครับที่ตื้นๆที่คนเห็นกันนี่ผมก็เห็นเหมือนกันนะครับไอพุทโธเนี่ยพุทโธถ้ามันสงบจริงๆนะครับตามันสว่างจ้าไปเลยนะครับลมหายใจจะหยุดนะครับลมหายใจไม่มีลมหายใจนะครับหูก็ปิดนะครับหูปิดต่อให้เสียงดังขนาดไหนก็ไม่ได้ยินนะครับแล้วก็ตัวนี่เบาเลยครับตัวนี่เบานะครับพอผมมามาในแนวทางไอ สงบก่อนครับผมก็เลยค่อนข้างจะทํายากแต่สู้กันครับสู้ไปสู้มาสู้ไปสู้มาวันนั้นนะครับวันที่เจ็ดนะครับไม่ใช่วันที่นะครับแต่ผมทํำเลยหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดวันของผมนะครับที่เร่งทําจริงจจังๆแบบจนขาจะหลุดออกจากกันครับแล้วก็สร้างจังหวะนี่จะแขนหลุดออกจากกันนะครับแต่ตอนนั้นนะสิบโมงเช้านะครับผมจําได้ดีนะครับสิบโมงเช้านี่พอสร้างจังหวะนั่งสร้างจังหวะนะในท่านั่งสร้างจังหวะนี่มันจะ บัตเลยครับมันจะขาดนะครับไอตัวไอความคิดนี่มันจะขาดนะครับมันจะเห็นกายเด่นมากขาดปั๊บหนังมันจะอ๋ออย่างงี้นี่เองนะครับตอนนั้นแหะครับผมยกมือขึ้นเลยครับโอ้ผมขอโทษนะครับผมไม่รู้ที่ผมบอกว่าการการสร้างจังหวะเหมือนกับไล่ยุงนะครับผมขอโทษจริงจริงหลวงปู่เทียนหลวงบูมเทียนนะครับผมบอกเลยเหล่าครูบาอาจารย์ที่เทศที่สั่งที่สอนมานะครับผมบอกอย่างนั้นเลยแล้วก็ได้เร่งทำมาเลยครับตอนนั้น่ะ พอมันเริ่มเริ่มเออเอมันมีเออเข้ามาแล้วฮะเริ่มนะครับทำเลยครับตอนนี้ผมไม่อายนะครับสมัยก่อนผมอายนะครับผมนั่งเฉยนะครับผมมาทําวันนี้ผมนั่งเฉยเพรผมดูลมครับแต่ตอนนี้ผมเล่งทํานะครับไม่ว่าอยู่ไหนผมก็ทําทําทําทําทําเจริญสติให้มากครับเจริญสติให้มากไปเรื่อยเรื่อเื่อื่คืออีกช่วงหนึ่งผมทํำค่ายเน้นกันพอมามันก็มีค่ายเน้นทำค่ายเน้นนะครับพอทำค่ายเนนเนี่ยผมรับไม่ได้นะครับ มาอยู่กับเด็กน้อยเนี่ยอาจารย์โน้ตให้ผมมาช่วยงานค่ายเนนนะครับผมไม่ได้ไปประชุมด้วยนะครับแต่มีชื่อออกมาบอกว่าคุณต้องไปอยู่ค่ายเนนกลุ่มที่หกงานเข้าแล้วพอไปทํานะครับผมปวดหัวมากครับไอเด็กเนี่ยเด็กน้อยนะครับอายุเก้ากว่าถึงสิบห้ากว่านี่มันเล่นกันมากครับทั้งแต่งตัวทั้งปลุกให้ตื่นทั้งอะไรต่ออะไรครับรับไม่ได้นะครับสองวันแรกนี่รับไม่ได้เลยแต่ตอนนี้นะครับวันที่สามนะผมว่าเออเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นนะครับ เด็กน้อยเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นแค่เปิดใจรับยอมรับขอแค่นั้นนะครับสบายแล้วครับตอนนี้นะอยู่เขาได้ตลอดนะครับแค่เราเปิดใจยอมรับแค่นั้นนะสบายแล้วครับเหมือนเหมือนเหมือนกับพวกเรานี่เหมือนกับพวกเราเหมือนกันนะที่จะมาทํำวัดป้ายผ้าศรนุนแค่เปิดใจยอมรับนะครับยังไงเราก็ยังสึกไม่ได้อยู่ดีต้องรออีก3าเดือนแค่เปิดใจยอมรับนะครับลองทําดูนะครับเปิดใจยอมยอมรับแค่นั้นสบายแล้วครับตอนนี้จิตใจสบายมาก จะทําไปถึงไหนก็ได้ครับไองานใคราเด่นมันสนุกด้วยตอนนี้นะชีวแรกเนี่ไม่สนุกนะครับผมเบื่อมากโอ้ยอะไรกันนั้กันานผมมาแค่เรามายอมรับเปิดใจยอมรับเขาแค่นั้นนะครับเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นนะครับสบายนะครับตอนนี้ทํางานอย่างสบายสบายนะครับแล้วก็ทํามาเรื่อยๆนะครับจะินสติสร้างจังหวะนี้เรื่อยๆื่อยๆแล้วก็เดินจงกรมเรื่อยๆการเดินจงกรมนี่นะครับไอรู้สึกตัวรู้สึกตัวนี่ครับมันไม่ใช่ว่ารู้ง่ายๆนะครับไอรู้สึกตัวนี่ ใครก็พูดได้นะครับคำว่ารู้สึกตัวแต่มันจะกร ะ, กระทบแบบไหนสัมผัสแบบไหนที่จะเป็นความรู้สึกตัวจริงๆนะครับไม่ใช่อสร้างจังมาไปง่วงนอนไปนะครับไอ้พวกนี้ไม่ใช่นะครับง่าอง่า๊ง่า๊ง่า๊ง่า๊ง่า๊ง่า๊ง่า๊ง่า๊ง่า๊ง่า๊ง่า๊ง่า๊ง่า๊ง่า๊ง่า๊่า๊ง่า๊ง่า๊ง่า๊ง่า๊ง่า๊ง่า๊ง่า๊ง่า๊ง่ค๊ง่า๊ง่า๊ง่า๊ง่า๊ง่า๊้่า๊ง่า๊ง่า๊ง่า๊ง่า๊ง่า๊ง่าําไปอย่างนง้นะนะ่รัรรง <ไป S 2> ทำไปเขาชิดไปอย่างนี้คือมันกึ่งรู้นะครับไม่รู้ครับพวกนี้ไม่รู้คือต้องให้มันเด่นๆจริงๆนะครับต้องสร้างจังหวะหรือเดินจงกรมให้มันเด่นๆจริงๆปั๊บปัให้มันรู้รู้จริงๆนะครับรู้ไปทีละพักทีละพักจริงๆถ้าไม่รู้อย่างนั้นนะครับไม่ใช่การจเจริญสตินะครับสติจะไม่นับหนึ่งต้องให้มันเด่นๆนะครับต้องมันชัดๆเหมือนกับ อ, อาจารย์สุรินทร์เหมือนกันอาจารย์สุรินทร์ท่านถ่ายรูปนะหรือว่าคนทุกคนถ่ายรูปเนี่ยสังเกตดููกกก็ได้าารรถ่ยปของทุคน ถ้าอันไหนที่มันไม่ชัดเนี่ยคุณจะเอาไหมคุณไม่เอาแน่นอนคุณต้องลบออกลบลูกออกต้องถ่ายใหม่นี่เหมือนกันถ้าคุณถ้าคุณสร้างจังหวะไปนะถ้ามันไม่เด่นหรือว่าถ้ามันผ้าๆนะไม่ชัดเย็นนะคุณไม่ต้องเอายุดหยุดแล้วเริ่มทําใหม่ครับเหมือนกันกับการถ่ายรูปถ้าถ่ายไม่ชัดก็ลบออกแล้วถ่ายใหม่เหมือนกันนะครับอย่างนี้คุณจะได้สตินับหนึ่งสงสามไปเรื่อยๆครับตอนนี้เนะี่ยมันจะเด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้น แล้วก็เห็นขึ้นเห็นขึ้นมันจะเห็นนะครับเห็นไปเรื่อยๆถึงขนาดเห็นไปถอยหลังเลยนะครับผ ม, มาอายุสามสิบปีเนาะมันจะถอยหลังลงไปเลยครับถอยถออเห็นไปเรื่อยๆครับเห็นไปเรื่อยๆถอยถอถอยถไปเลยครับไม่ใช่เรื่องลึกล้ําอะไรนะครับถ้าปฏิบัติจะเห็นอย่างนี้จริงๆครับไม่ใช่ผมมาพูดเอ้อยมันเรื่องลึกไปหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเรื่องพื้น <c oughs> พื้นเลยนะครับที่เห็นนะครับไอ้คาว่าเห็นเนี่ยก็คือเห็นเห็นความคิดของเรานะมันจะขึ้นมาขึ้นมามันจะเห็นไปข้างหลังก่อนครััััับบมมมมมนนนนนนนนนนนจจะะเเเเเเหหหหห็็็็็ไปขขขข้้้้าาาางลลก่อึึึยคร บางทีมันก็แวะนะครับถ้าสติเราไม่เด่นมันก็แวะเหมือนครั้งหนึ่งเหมือนกันมันแวะคือมันเรื่องที่ผ่านมาแล้วครับแต่มันชอบแวะไอ้พวกนี้ต้องออกนะออกไปให้ได้มันจะทอ ย, ทอยๆๆไปเรื่อยๆครับมันจะตัดอ่า ต, ตัดไปเรื่อยๆ ไ, ไปเรื่อยๆมีครั้งหนึ่งผมมาเรื่องผ่านมาแล้วละ่ะผมไปเจอเพื่อนไปเจอเพื่อนแต่ไม่ได้ทมกันนะเจอเพื่อนแต่เป็นเพื่อนผู้หญิงไม่ได้ทมกันผมบวดเป็นผ้านี่ยล่ะาำสมัยก่อนเนี่ยผมยังไม่เป็นผ้าผมรู้จักกับเขาดี แต่พอมาเป็นาพาะเจอกันที่อกสอผมไม่ได้ถามนะพอขึ้นรถ ก, ก็ขึ้นรถคันเดียวกันด้วยไม่ได้ถามอะแต่ตอนนี้นะครับตอนตอนที่เราปฏิบัติเนี่ยมันจะมาปรุงครับมันจะมาปรุงต่อมันไม่เห็นแค่นั้นนะมันไม่เห็นอยู่เฉยเฉยมันจะมาปรุงต่อบอเอ้ยน่าจะถามเขาบ้างเนาะเออน่าจะถามว่าเขามีตังมีอะไร น, นั่นมันไปอย่างนั้นครับแต่เราต้องมีสติหยุดก่อนครับเอาใหม่ครับเริ่มใหม่ แล้วพวกนั้นจะวนมาอยู่เรื่อยๆครับวนมาอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราตัดขาได้จริงๆมันจะไปเรื่องใหม่ครับมันจะไปเรื่องใหม่ต่อมันจะถอยถอยถอยถอยไปเรื่อยๆครับจนถึงเด็กๆนู่นนะครับแล้วมันจะตีกับมาใหม่มันจะตีกับมาใหม่เอาวนอยู่นั่นนะครับฮะแต่ไม่รู้ยิ่งยิ่งเห็นความคิดมากๆยิ่งมีสติเด่นขึ้นเด่นขึ้นเรื่อยๆครับมันจะเด่นขึ้นเรื่อยๆไอตัวเห็นนี่นะครับเห็นความคิดของตัวเองเนี่ยมันจะเด่นขึ้นเด่นขึ้นแต่ถ้าไปกับมันเนี่ยมันไม่เด่นนะครับมันจะโจมแล้วมันงง่่วมมัันนไอยาากทํะครบ ไม่อยากทําแต่ถ้ามีสติเด่นขึ้นเด่นขึ้นมันจะอยากทําเองไม่ต้องมีใครบอกมันก็ทําเองครับตอนนี้นะมันอยากทําเองเอไม่ใช่แบบทําไปผ้าผ้านะครับผ้าผ้าไม่เอาหยุดทําใหม่ตอนนี้ต้องต้องขยันนะครับประจันกระพลบอกว่าต้องขยันต้องขยันทําขยันทําแต่ขยันทําไม่ใช่วิ่งไปพุ่งชนพุ่งชนกับไอ้กำแพงนะครับไม่ใช่บางทีนี่เราไม่ได้ดั่งใจเราก็วางบ้างวางบ้างอยากให้คนอื่นดีกับเรา แต่เขาไม่เอาเราก็วางไม่ใช่เป็นทุกกับเขานี่นะครับอาจารย์กรพลบอกว่าอย่างงี้นี่เหมือนกันเราก็ส ร, าสร้างสติให้มันเดนินเด่นเด่นแต่ตัวตัดความโกรธนะครับตัดความโกรธนี่สําหรับตัวผมนะครับตัดความโกรธนี่มันไม่ใช่อะไรอื่นไกลนะครับง่ายๆแค่นั้นนะครับ น, บนี่องค์ข้างๆนี่ครับอาจารย์ไอ้หลวงพี่ขวันนะครับท่านถือว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ผมอีกคนนึงเหมือนกันคือท่านฝึกฝึกอารมณ์นะครับตรวจสอบเหมือนกับการสอบอารมณ์เหมือนกันตอนตัดอาหารนะครับท่านบอกว่าบอกว่าเฮ้ย ถ้ารีบนั่ก็ไปก่อนนี่อ้าวมันขึ้นครับตอนนี้นะผมขึ้นนะเออขึ้นเลยครับมันจะขึ้นแต่ขึ้นการเจริญสตินะครับผู้มีสติมากนะมันจะขึ้นไม่มากนะมันจะขึ้นเบาๆขึ้นเบาๆแต่เราเห็นมันขึ้นนะครับแต่เราหุบปากไว้ปิดปากไว้ถ้าไม่ปิดปากไว้ตอนนั้นน่ะคุณไม่เห็นอะไรแน่คุณต้องพูดออกไปแน่คุณจะไม่เห็นนะครับถ้าปิดปากไว้ปุ๊บมันจะเห็นครับมันจะเห็นมันขึ้นนะครับเบาๆเบาๆนะครับขึ้นเบาๆนะครับ พอตักอาหารเสร็จปุ๊บนะมันก็ยังขึ้นอยู่ผมไปก่าพระก่าพระแล้วมานั่งลงครับนั่งลงแล้วก็สร้างจังหวะครับสร้างจังหวะไปเด่นเด่นนะครับสร้างจังหวะเด่นเด่นยิ้มนิดนึงครับการเจริญสติต้องยิ้มนิดนึงตรงนี้ช่วยได้ยิ้มนิดนึงยิ้มนิดนึงตอนนั้นแหะครับสติที่เราฝึกมานะครับฝึกมาที่มันเป็นกองกําลังมากนะฝึกมามาป่าพญามารนะครับมันจะมากลับมาตลบมาทักท้วงนะครับข้อนี้สําคัญมากครับ มันจะกลับมาทักท้วงทักท้วงอีกทีหนึ่งนะครับคนจีนจะพูดจีนนะครับคำว่าทักท้วงตรงนี้คนจีนพูดจีนคนอังกฤษพูดอังกฤษคนยุโรปพูดยุโรปนะครับคนไทยพูดไทยนะครับตอนที่มาทักท้วงนี่ครับจิตใต้สํานึกนะครับมันจะมาทักท้วงคือสตินะครับมันจะมาทักท้วงแต่ผมพูดอีสานนะครับผมพูดอีสานอีสานนะครับกลับมาทักท้วงนะครับจิตจิตใต้สํานึกของผมนะครับมันเป็นคนอีสานไงมันบอกว่าเฮ้ยบานบุกเข้ฝึกสติยังเทียวนาะอ่านี่นะครับ ก็แปลถ้าแปลเป็นไทยบอกว่าเหมือนไม่เคยฝึกสติสักครั้งเลยไงเหมือนเหมือนกับไม่ได้อะไรเลยอย่างงี้นะครับตอนมันมาทักทวงแค่นั้นแหละครับบู๊บนะครับไม่ต้องไปทําอะไรครับความโกรธนะครับบู๊บหายเลยครับหายจริงๆครับนี่มันมันดีอย่างงี้เลยครับมันดีอย่างนี้มันคือได้ผลอย่างนี้จริงๆแต่ถ้าขอให้คุณทําจริงๆนะครับขอให้คุณทําจริงจรแค่นั้นแหละทําจริงๆไม่ต้องไปสนใจนะครับฟังก็ฟังครูบาอาจารย์ไปหูแล้วก็ฟังไปแต่มัน บางทีมันก็ไอ้บางทีฟังไปก็เก็บไปเป็นอารมณ์เหมือนกันนะครับเก็บไปไปอารมณ์ไปถ้าฟังหลวงปู่เขีย น, น, นบอกว่าเออท่านได้อย่างนั้นท่าได้อย่างนี้เราจะเป็นอย่างนั้นนะเป็นอย่างนี้ตรงนี้ไม่ต้องสนใจนะครับไม่ต้องไปสนใจคือฟังก็ฟังนะครับแต่ตอนไปปฏิบัติไม่ต้องเอาไปด้วยนะครับเท่าไปด้วยนี่ป Richt ุ๊บคุณคิดคิดอยู่นั่นนะครับเอาอยู่นั่นนะครับเอาอยู่นั่นนะครับคือต้องต้อ ง, องปล่อยวางนะครับต้องปล่อยวางเหมือนกันต้องปล่อยวางเหมือนกันแต่ทํำของเราให้จริงๆขอให้ทุกคนเนี่ยทำ ถ้าคุณชอบสิ่งไหนก็ทําสิ่งนั้นให้จริงๆครับดูลมก็ดูลมเอาให้จริงๆแค่นั้นมันจะเห็นเห็นเห็นไปจริงๆครับถ้าสร้างจางหวาก็สร้างจังหวกจริงๆแล้วก็ไอ้ที่ว่าตัวรู้ตัวรู้รู้สึกตัวนี่ผมผมนานเหมือนกันนะกว่าจะรู้ได้แต่ไอ้รู้รู้สึกตัวนี่ไม่ใช่ว่าไปรู้ก่อนรู้หล้างรู้อะไรนะครับมันเ ว, เวลาเวลาเวลาเดินจงกลมไปนี่เท้ามันกระทบพื้นปั๊บปั๊บมันจะรู้รู้รู้ไปอย่างนี้เลยครับมันจะปับป๊บปั๊บปั๊บมันจะรู้รู้ไปอย่างนี้เลยครับ ไม่ใช่เรื่องพิสดารเลยนะครับแค่พื้นพื้นนะครับเอาพื้นพื้นมาพูดกันเลยครับมันจะปั๊บปัป๊บไปรู้รู้รู้ไปเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นครับทีละรู้ทีละรู้ทีละรู้นะครับถ้าหลงก็กลับมารู้ใหม่หยุดแล้วก็เริ่มทําใหม่มันจะได้ผลนะครับมันจะตัดความโกรธความโลภความหลงนะครับมันจะตัดไปทีละเล็กทีละน้อยอย่างนี้นะครับขอให้ทําพวกเราทําสติขึ้นมามากๆมากมากมากแค่นั้นแหละครับมันมันจะได้ได้ผลจริงๆไม่ใช่ว่าลุงปู่เทียนลุงปู่คำเขียน หรือว่าครูบ า, าจารย์เนี่ยมาพูดกันเล่นๆหรือเปล่าหรือว่าหลอกเราหรือเปล่าแต่อย่าเพิ่งเชื่อนะครับผมพูดเหมือนกันแต่อย่าเพิ่งเชื่อคุณลองลองทําดูด้วยตัวเองนะครับแต่ถ้าคุณเอาของคนอื่นมาพูดเนี่ยคุณจะไม่รู้ครับแต่ถ้าคุณทําขึ้นมาจริงๆเนี่มันจะรู้รู้เองนะเหมือนครัง้งหนึ่งเหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านในเทศเนาะเทศอย่างนี้แหละตอนเช้าเช้าอย่างนี้นะพอเทศจบปุ๊บพระพุทธเจ้าก็ถามดุกกรสารีบุตร เธอเชื่อค i, hmm. man, oh, ําตัดคําสอนของเราไหมสารีบุตรตอบว่ายังไงสารีบุตรบอกว่าข้าแต่พระองค์พุทเจริญข้าพเจ้าไม่เชื่อพระเจ้าค่ะโอ้ขณะพระพุทธเจ้าผมว่าโอ้ขณะพระเจ้าประเทศยังยังไม่เชื่อเลยนะบอกว่าเป็นยังไงถึงเธอเธอถึงเธอถึงไม่เชื่ออ่าถามสารีบุตรนะอ่าสารีบุตรตอบว่าอ่าข้าแต่พระองค์พุทธเจริญข้าพเจ้าต้องไต่ตองดูก่อนต้องไต่ตองดูก่อนคืออ่า วนะีมังสานะครับถ้าพูดเป็นภาษาจะหน่อยวี่มังสาควรไต่ตองพิจารณาดูก่อนพิจารณาดูก่อนว่ามันเป็นไปได้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับหรือต้องลองทําดูก่อนเพราะท่านมีปัญญามากสําหรับภาษาอาลีบุตรมีปัญญามากท่านก็เลยติดตองดูก่อนพระพุทธเจ้ายกมือขึ้นสาธุดีแล้วสารีบุตรอย่างนี้เลยครับอย่าไปเชื่อใครนะครับแต่คุณต้องลองทําดูจริงๆบอกว่าไม่ทําทําแค่วันสองวันโอ้ยเหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้วะไม่เห็น สงสัยเราไม่มีบุญแล้วล่ะโอ้คงไม่เห็นกับเพื่อนเขาแล้วอ่าไม่ใช่นะครับหลวงปู่อ่าหลวงปู่คาเขียนนะครับเคยถามหลวงปู่เทียนบอกว่าเคยมีไหมที่มาปฏิบัติกับหลวงปู่เทียนนีไม่เห็นอะไรหลวงปู่เทียนให้กําลังใจนะครับให้กันมาแก่กับทุกคนด้วยบอกว่าไม่มีไม่มีที่จะไม่เห็นอะไรอย่างน้อยน้อยนี่คุณมาปุ๊บคุณมาสร้างจังหวะคุณเริ่มเห็นเหรอเห็นความคิดนั่นละ่ะะ แต่คุณมองดีๆนะครับคุณตั้งใจทําดีๆคุณไม่ต้องพูดไม่ต้องอะไรที่ครูบาอาจารย์สอนนะครับเอทําไปเรื่อยเราอยู่คนเดียวก็ทําไปเรื่อยทําไปเรื่อยทําไปเรื่อยนะครับแต่มันจะเห็นเห็นเห็นดูกายเนี่ยแหละครับดูกายดูกายก็จริงนะแต่ว่ามันจะเห็นความคิดคุณไม่ต้องไปจดไปจ้องมันจะขึ้นมาเองครับมันจะขึ้นมาเองมันจะขึ้นมาเองแต่เราเห็นมีสิบยี่สิบมันขึ้นมาความคิดขึ้นมาแต่มันเห็นเห็นเห็นไปเรื่อยอย่างนี้นะครับอ่าวก็ขอฝากไปเนาะฝากไว้กับทุกคนก็แล้วกัน เพราะว่าเวลากา็เริ่มได้เวลาที่จะหมดนะ <c oughs> ก็ขอฝากไว้สุดท้ายนี้ก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านทั้งหลายาจงมีแต่ความสุขความเจริญบุญจงตามรักษาเทวดาจงตามคุ้มครองขอให้ปราศจากพวกใจมารสันดานยามขอยกอาจตุรพิตพรชัยทั้งสี่ก็คืออายุวันนะสุขพร ะ, พระปฏิพานท์ทนสารสมบัติ นิพพานสมบัติสมันสมบัติขอให้ทุกท่านจงตั้งตนในสัมมาธิทิเห็นดีเป็นดีเห็นชั่วเป็นชั่วกับหางกับหัวกับชั่วมาเป็นดีจนสามารถนํำตนออกจากทุกประสบสุขทุกที่พาราติการด้วยคันทุกคนทุกท่านเถิน